คนขอคนแม่คนบิดามานดาคนปูญาตาย่ายคนถ่านพวกนี้คนมาร่วมพ่นกันโยกับคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปร่วมพ่นกันโยกคนพระเนพระนัสแสลงกันคือแกงมอญย์น่ะเลือคนพวกถึงคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอปปามาเลือกถึงทัวทั้งใจโลกธาตุโอปปามาคือน้ำทะเล ความน้ำถ้าได้กัก้าวความน้ำหัวน้องข้องบึงบางคือกันมันไหลลงไปหานได้อ้ป่อมาคือเขมทิศคือทิศเหนือข้นี้แล้วเลี้ยวไปทาง้งทิศเหนือกับสกัาวบเลี้วลยวไปบนเข็มทิศคือกันเข็มทิตมันสีไปทั้งทิศเหนือบู้วายคือไหยมากง่ายเลยเจ้าปัดเกลวดืว แล้เลิกได้ว่าเลิกได้ก็ตามขอเบากายถวายชีวิตขอพระพุทธพระธรรมประสงค์อยู่ทุกมือแล้วเลิกได้ว่าเลิกได้ก็ดีข อ, อขเป็นขาวเป็นขาวขพระพุทธพระธรรมประสงค์อยู่ทุกมือตราตรัเถ้าของสุภิพาาผลจากทุกเนาวัตจารช่องสารโดยดวนอยู่ทุกมือผมมีประมาณกว่าขาดเถือนแล้วลกได้ว่าเลกได้ก็ดีขอทุนถวายสักคนละกายว่าใจา ไห้พระพุทธพระรมพระสงค์ขี่รถเนีย่ยรถหยียบยำทนำลำไร้คข้ละหมูไใสอยู่ทุกวิธีทา่าทงเวลามีปมาเพิ่นกับ่บเฮตดอกดขอข้อพ่อใจเฮ้าข้อพ่อใจเฮ้ามันเป็นแค่สัน้นได้แล้วเลือกได้เพรได้กว่านีาน้แล้วซัไตรกระทาเนี่ยนันเป็นเศษกระดาษของพระอรหันต์ทั้งหลายผู้คนผไปแล้พวพ้นเขาสู้คนทีพานไปแล้ว เศษกระดาษของเพื่นเศษตำร้ายของเพื่นไดไต่โลกออระธาตเนยเข้ากับโอบามาคือมูนอนนะมาญาติกันมายาติกันจินปิน้นขวมปิ้นงายยเนี่นอนหัวโหล่นนอนหัวดับนอนทุกขราบทุกพบมาญาติสมบัติพัฒฐามนมายาติวัตถุนิยมและอุดมคติอวัตถุนิยมส่วนอุดมคตินะันบตั้งแต่พระสุวรรณไปจนถึงพระประธาน มันว่าศาสนามันสีดีเล่นสักเพียงไรก็ตามปัจจัยเสี้ยวว่าเบญทบาทเสีมื่อร้ายมาได้สกตาลเสีมื่น้อยกรตามก็ถือเป็นปัจจัยเี้ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท้งนั้นมว่ามันบุญวัฒาสนาของผู้ใดบุญวัฒาสนาของพระ พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์สําหรับผู้เหาก็บเมตตาเห็นกระดูก พ, พระพุทธศาสนาตะพื้นตะพือ้อน้องว่าหอมเมื่อโต ว, วนันครับถือว่าโตเป็นคนสมควรอยู่ ใชเ็แทะเล่มกลางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้กือขั้คิดอันนี้เมื่อน้อยกับว่าไม่ท้องตัวเม่อร้ายกับว่ามันท้องตัเมื่อน้อยกับบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเมื่อห้ายกับบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันปัจจเสียวขี้ว่ามีเท่าไหร่ก็กันให้ถือว่าเท่าเนี่เป็นนอนเมื่อไงกินน้ำมูกน้หลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็บรื่ทงเท่านั้นเทาเม่อายเทาก็บเสบบเดืตื่นเท่าเม่น้อยเทากัสบบเดือตื่นเออ คนะคนน่ะยจะไปลงกาบพระพุทธโลกไม่ใช่ ก, กาบอิกาบปูนไม่ใช่กาบพัเวรพักขุนพันผุนเข้ากับอะดกกรกาบอิกาบปูนมัเข้ามากาบตบูดังเปียแงบเปีแ ง, งบว่าเขากาบพระพุทธโลกผมยายเขากาบมันกั บ, บ้ามันไงมันกับอะรคนละคนเพราว่าบุควรบูชาดอกไม้ถูกเทียนยัางดอกพระพุทธพระธรรมพระสงค์เขาหายมาโดยเป็นร้ำกับบูชาที่ เขาหมายว่าโดยเป็นถ้ำเข้าก็ต้องโบซาผู้ชาจะผู้ชนิยานังเนี่ยพระพุทธเจ้าเอตมังคารมุตตะมังบูชาสองอาเมจจะโบอาเมจสะโบชาโบชาด้วยอาเมจปฏิบัติโ บ, บชาโบชาด้วยปฏิบัติตามสองข้อนี้จะเว้นไม่ได้พระพุทธเจ้าคนละแต่ว่าปฏิบัติบูชาเป็นลึกซึ่งก็าอาเมจจะโบชาตระาทรายเอาดอกบัวไปถวายพระมาได้ เขามาไล่าดอกบัวอันนี้เราบ่ได้บอกเขามาเด็ดเด็ดมะให้เล่าเขาเอามาเองฮะเราเขาซ่านได้เล่าสิขึ้นไปบูซ่าธาตุเจี๊ยวจุละมะนี่เขามาไ่เพราะเขาซ่านเบิ้ดนึ่งเพราะเขาไปบูซาธาตุเจียวเจีวจุละมะนี่เพราพระองค์เก้านั่นเพิ่นเป็นพระทหารทแท้ๆบัดโม่เฮ้านี่เห็ุจ้งนักยานจะเพิ่น่าตัวบปฏิวัติเลยบถือซ้ำเหตุจ้างนักว่ดจะโตยานจะเพิ่นมาตัวบัเค็งเลยบัถือซ้า เพ้งไล่เได้สิบาบูซาหอดพระพุทธเจ้าเพิ่งไล่เราได้สิบว่าหอดพระพุทธหลุบหมู่พระเจดีประเทบัตรแบบบ้าๆเข้ากับว่าเสร็แล้วลูกก็ไม่ฟ้อไม่แม่เข้ากว่าสร็แล้วชิดก็ไม่คู่เากว่าเสร็จแล้วเป็นลูกก็บเป็นลูกที่ไม่พ้อไม่แม่ไปชิดกับไปชิตที่ไม่คู่มันจังแน่นสันทนาวามีน้อยมีหลายปันไอ้กบูซาพระเจ้พระพุทธพระพัมประงหมือนตัวสานทนาวากี้บูซากียรตเท่าจังไหนก็สันทนาว่า ถูกเที่ยนคือกันใต่เที่ยนบูซาสิ่งเขา้ามาในไต่ซื้อได้เข้าบูซาพระรพรุณพระธาตประสงค์พบบร้อมไม่ได้บูซ า, ากิเลสจะของมัดเหลืองสามะน้าแล้วเลือกได้มนึกได้กดระเดี๋ข้าไม่ ก, ก, ก ล, ล้ า, า, ากระโทนถวายสกปรรคาลายวาจยใจเป็นมนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเนปานสมบัติบูซาพระคุณพระธาตประสงค์ทรงงาบมบุรุษประม่าตามเจ้าเท่าเขาสูโพระนิพพานตัวจะเจอห้องแห้งไรนะบอกว่ ตัวกัจจสุห้องแห้งไรละบอทารโกทารกาอย่าพูดดังมากเด็นดวชอย่าพูดดังมากเงียบนิ่งเฮ้ชักขี้ตังเรี่ยงอย่างเนาะไล่ไตโลกธทาเนี่ยเข้ามาขึ้นยากเลยเข้า ลเรื่องใดเรื่องใดก็ดีสัพพะไตโลกกถาดีสัพพะไตจักรวาลดีพวกข้าจะทุ่นถวายสักกรรไกว่าจายใจเป็นสัพพะไตโลกกระกและสัพพะไตจักรวาลบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงเมือบมีประมาเพื่อผลทุกในวัาสงสารโดยด่วนในปัจจุบันนี้พวกขาเือนรลดเทา้าว่ได้บ่าลำบากเลยเทาคนถอคนท่าเข้ามาเห็ดเอามาเขาเมาคือเวเมื่อนี้มื่อนีเมือนี่สมมูริบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บมีพระพุพระน แต่พจน์มันค่อยรับบูซาอย่าอกพจน์จากบูซาไปแล้วพจนเขาวู่พรนนิ้พานไปแล้วแน่นอยก็ว่าไม่ท้องตัวได้ร้ายก็ว่าไม่ท้องตัวหูดังเปียงแงบเปี้ยงแงบคันแน่นอยก็ตีเสียใจก็ทีได้ร้ายก็ที่ดูสันตัวล่ะก็มอบใส้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไตโลกทานลยก็มดเรื่องผู้ใดถวายว่าเป็นก็มัดเป็นเพศนั่นเฝาอยู่ตายอยู่หันว่าก็บอกว่าจะขอพระนอกในในสกลร่างกายว่าการใจกระทุ่นถวายต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นข่าเป็นธาตุอยู่ตรงเวลาบ่มีประมาล่ะ ของพายดอกมันแห้งไปมดนี่ยสร้างว่าถวายพรเปรนบูชาพรเพ็นแล้วหัวดเปี้ยเงียเพี้ยงยบไม่เห็นตับูชาพระเป็นเขาเขาไหวยพระพุทธรูกพระเพชรดีที่ทำทาไปโฟเดียวเฉยดียวเปลียปยนเปเปียปูนเพราะว่ากับพระพุทธลูกพระเจชรดีเก็ตรมาตั้งแต่ปางพระพุทธเจ้าอก่ผลองค์ไหสิบว่ามีพระพุทธลูกพระเพชรดีไม่บอกมาตั้งแต่ตอนนี้กระสานตะโกนทยอคน เอา่ยถึงนี่ละเทศระบาดสานีละเทศจไปอะอย่าพูดดังร้ายอะพูดดังร้ายเขาเทศละเทศจะไปลาวานี่พุทธท้อข้ามเนี่ยถึงมัดเนี่ยพุทธทมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติท่มสมบัตินี่ยผ่านสมบัติจ้ากันบมัชบ่นหน่อยมักงพุทธท้อเนี่ยผ่านจัะโม่เนี่ยผ่านทั้งก้อนเนีผ่านพุทธเลยพุทธท้พุทธทวัดพุทธเออ พุทกับยุ่ธีโทษก็อยู่นีพุธเปดนผู้ว่าพุทธพุทธเป็นรัโทเป็นผู้ใจเขาเป็นผู้ว่าคนตายว่าเพระเป็นคนตายเป็นญาติเราะย้อนอยู่บนอื่ร์นะคุณพระพูทธพระธรรมพระสงค์บุญคุณของพระุทธพระธรรระสงค์มมีประมาณเนี้ยที่ยอดน้องมาเป็นหนึ่งคนกรุงเทพมีไหมอยู่นี่ไม่มียกเืินขึ้นกรุงเทพมีไหมไม่มีเดี๋ยวฟังไม่ออก แู้พูดอะไรอุอยจุจีไม่เข้าใจป่จีวะยังกินจีตรตนังโลกเกวิเสติวิธางพุทธรัตนังพุทธะสมังลติตัตมาโสตที่ปวันตุเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยด้วยองเรกล่าวคำสัตว์นี้เพราะความสวัสดีจงมีแก่เรา นัติเมธะนังนันยังทนะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสาร ะ, ะของคาบีเจ้ า, าด้วยเก่าวคําศัติน์นี้เอเต น, เนะชัตวะเชนะเมื่อกล่าวคําศัติ์นี้สดที่เมย์โหตุสะปดาขอความสวัสดีจงเมยแก่เราอยู่ทุกเมื่อคืนอันนี้เป็นข้อมเขารบนะเมันข้อมบนหวานมวนมเค้าลบเขารบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คารวะหกเขารบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เาต้ เ, เพื่อนายพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งในความศึกษาหนึ่งในความไม่ประมาทหนึ่งในปฏิสันถานคือต้นรัปปาัยหนึ่งที่สุดควรทําคารวะหกประการนี้ผู้ใดหนักในคาราในปฏิสันถานผู้นั้นจะเข้าใกล้สู่พระนิพานผู้ใดเข้าเขารัพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้นั้นประพฤติใกล้พระนิพานพระพุทธเจ้าผู้ใดเมตนาวัตศีลวัตภาวนาวัต ผู้นั้นกว่าเพื่อใกล้พระเนพานผู้ใดมีอารมณ์นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่อยๆผู้นั้นกว่าเพื่อใกล้พระเนพาลโฮติเจ้าอารมณ์อ่านว่าอารมณ์อาหารของกายอาหารของท่ อ, ท, อท้องสำรับกลิ่นเนี่ยมันเือรมันเมาห ก, กับ่ะกินปากปากท้องก็นึกก็คิดว่าเป็นประโยชน์ส่งเสริมกาม้าไม่ตกส่งเสริมพยาบาทไม่ตก ส่งเสริมไม่เห็นสาวไม่ตกเธอทั้งหลายจงห้ามเบียดซัพระพุทธเจ้าแล้วให้มีเลยพระพุทธเจ้าความนึกคิดอันใดอารมณ์อันใดที่ไม่ส่งเสริมการมรรตกที่ไม่ส่งเสริมพยาบาทมรรตกไม่ส่งเสริมไม่ห็นสาวมรรตกิกเธอทั้งหลายจงปล่อยไปเลยปล่อให้นึกตามอําเภอใจนั่นแหละคือบุญเรียกว่ามัคคารมนาธรรมะมัคคารมเพราะอารมณ์ของเธอไปทางบุญมัคคาเหตุกาธรรมา เพระเป็นเหตุไปในทางบุญมรคคานิปเจโนธมะพระปฏิบัติไปในตัวพระพุทธเจ้าอุปนนาธรมะก็เกิดขึ้นที่ใจของพวกเธอน่เองอจีตารมณ์ก็ตามอานาคตารม์ก็ตามปัจจุ ป, ปนณารมณ์ก็ตามถ้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็เป็นบุญทั้งนั้นพระพุทธเจ้าว่มันจีให้สามารถที่จะ ต, ต่ อ, อยู่วันเดียวหนียังสิเป็นบุญเพรมัมนวางฉันนเดียวเนี่ย พ่อการบนใส่พ่อกไปเช่าส้มป่ะส้มบุญครับโอ้ยังมาทันเมื่องเออเปิดละบังวัดอืมเปิละังวัดมามันนั่น่นจักมามันเอาขคักเนาะนันน่นจักมาเอาขักไปละบงวัดเนาะเออดีเยอะอกผโทษทโมสังขอโทษนี่พานท่าโมนี่านสังโนี่พานมนโทเล็กท่วทัวัดท่เบอเอาพระพุทธเจ้ามาเลยเลนบาปตายันนะไม่ใักคนตายวเจา คิดหายหมดยกระเป๋ารลอนมดน่ะเดี๋ยวพระพุทธพระสมมาเรียนเลขนับกระเป๋าหลอนมดน่ะ่อยากวัตายผู้ใดขึ้นกันมดน่ะขันพรสงสัยพระพุทธเจ้าผู้ลัก้าวตู้พุทธเจ้าพระท่านสมัยเขาท่านพระจ้ว่าพระพุทธเจ้าพ่ท่านสมัยมนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพพานสมบัติเต็มแล้วอบายมุกสุเพเป็นมนุษย์ได้บัติ นักเรีนหญิงนักเรงสุนานักเรงเรื่องการพนันควบคนมช่วยเป็นเม็ดเกลยดท่านทํางานในทางที่ชอบนั่นท่านชี้ภายพระพุทธเจ้าบอกแล้วอันไหนอันพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีคัดอ่นใิดเดียวไปขีดกระบอกไปเหยวก็บอกเราไม่เป็นไข่จะมาเยืนถ่ายวิจาระถ่ายปัสสาวะแล้วไม่เป็นไข่จะม่ถ่ายอุจารณถ่ายปัสสาวะม้วนเสียระลงในของเขียวแล้วไม่เป็นไข่จะมาถ่ายวิจารณถ่ายปัสสาวะม้วนเสียระลงในน้านั่นพระพุทธเจ้าทั้เธอทั้งนายปวดอุจาระปัสสาวะให้นั่งลงเสียก่อน พอแน่ๆก็ลดท่าลงซัก่อนจึงยืนขึ้นนะจ๊ะพระพุทธเจ้ามูอห้องเนี่มันท่านเพรามันในมันเดรไปบันหันรถบอกนั่นกินข่าวพระพุทธเจ้าก็บอกเนาะอย่าไปฉันแบบเล่นอย่าไปฉันดังจับๆอย่าไปฉันดังสูดๆอย่าไปฉันเลียมืออย่าไปฉันเลียมือปากมันหมาพระพุทธเจ้า บอกมดเนี่ยด น, น่นพราเจ้าเจ้ า, าบอกว่ามีบอกฆรวาสก็บอกงดบัณฑิตต่อฆราวาสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนจงละอายตบาบาทจงกลัวตบบาบเถิด อ, อย่าไปล่วงละเมิดเชียนห้าอย่าไปล่วงละเมิดอบายมุกทูลที่เจ้านั่นเนี่ยคือทางเจริญแห่งฆราวาสทำของฆรวาสสีสัจจะสัตว์เสื่อแก่กัน ธรรมรู้จักก่มจิตของตนยาคะรู้จักสละสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ครูที่จับสอนเมื่อไหร่ศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวนาในมนุษย์ทั้งหลายเต็มภูมิแล้วครูที่จัถ้าเรายังไม่สอนอุบาสกอุบาสิการตลอดเพกุ่ดสามัญเดชให้บริบูรณ์เราก็ไม่เข้าสู่พระนพ่านครูที่จับ เห็นนั้นเราจึงทรงยืนยันว่าสัทถาเทวมนุษย์ศาสนาเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าให้ไปสอนเกง่งวันพระพุทธเจ้าคําสอนอะไรกฎหมายกฏ ห, หมูกฏปักกฏพวกที่ตั้งขึ้นไม่มองดู พ, พุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยทําเป็นโรค ก, กบาลคุ้มครองโลคสองอย่างความละอาตาบาบความก่อตั บ, บเท่านั้นจะคุ้มครองโรกได้พระพุทธเจ้านั่น ถ้าไม่มีอยัางอาตมาบาปไม่มีความกวัวแดบต่อบาปแล้วกฎหมายจะตั้งมาเกียวกนล้มันก็มาอยู่ลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปรมาณูเอ็มสิบหกเอ็มสามสิบสองอร้อยอมื่อิวาเนี่พระพุทธเจ้าพุที่จ้าองไหนกันเดียวกันวดวิธีพระค้องโลกว่าจะเปลี่ยนแปลงกันเนี่ยวันนั้นไปก้าตูพระพุทธเจ้าเมื่อท่านสมัยมูห่อท่านสมัยหลาย้วโรคเอนพึมๆมาปวกระรักปวกเพาไว้รักษากเเปลี่นนัน เพื่รักษาต้นรมตวนไฟได้พระพุทธเจ้ากามเสมิชฌาจารย์พุทธเถรในกามนี่แล้วให้พี่คณะอชุพะอสุภังซะจะไม่หลงหลังโลกเอกก็จะไม่กำเริบนะพระพุทธเจ้ารักษาลูกหลานเพื่อให้งตัวหัวหอกไปรักษาปายเหตุบ้านอบายวุฒทุกขุมในโลกามนุษยสาโลกเกเขยจากธรรมคาสอนของพระบรมศาสตรามีค่ารํานราชนยียบย่ําเป็นเลขเป็นผาน พระพุทธเจ้าเ่าแทงขืนวัดเอาเองห่อซองสอดเจ้าโป่งโหลดอันนี้มันชิหายห้องหุ้นชักเห็ุสัตย์เจ้าล่องทางพระพุทธเจ้าไม่ห่อกรรมและผลของกรรมมีอยู่ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงๆศาสนาใดๆลัทธิใดๆก็ตามทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนั่นเองบ่ได้รับเอื้งนกับศาสนาใดๆเลยคำสอนของพระพุทธเจ้า พูดถึงว่าพูดพระธรรมพระสงฆ์มีคติเป็นสองพูดถึงว่าพุทพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระตราบเท่าเข้าสูงพระนิพพานมีคติเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์พระพุทธเจ้าพูดตรงกันข้ามไม่สัตย์นิชานก็เปิดอสุรกายหรือสันนรกเราไม่พูดข้าข้างตัวเราพูดตามเป็นจริงของธรรมเรายืนยันตามเป็นจริงของธรรมเหตุนั้นเราจึิงขง้ารกธรรมพระพุทธเจ้านะนะเพิ่งขายเพื่อนๆบอกว่าได้ญาติผิดผู้ใดอันท้ายโตนี่ภาษาบาลีเอาพระพุทธศาสานาะ เป็นเป็นศาสนาประจําชาติแล้วสได้ย่านเพชดเขาอยู่บัทบบ่าบรญญัติเลขบรรญัติหาบัญญัติเนี่ยมาแปลนที่แตกคือเขียนไหนบัตานี่สมาเขียนเมื่อไรพระพิคุสัมเานไม่ควรมาเป็นไม่ควรมาเกี่ยวกับชาวโลกพระพิคุสัมมานไม่สอนโลกจะไปสอนผีตัวไหนฮะ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 คารวาส ด, ด้วยสถานหกหนึ่งห้า ม, มกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้าใจอันงามสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้เก่งกบอกทางสวรรค์ให้นั่นพระพุทธเจ้าสอนอยเมื่อนั่นนั่นว่ามันคำสอนของห้าคําสอนอพระพุทธเจ้าเนี่ยว่ามันห้ามาแตง่งเอาพระพทุทธเจ้าว่าอะไรเนี่ยเอาเป็นภาษาบาลีพรนกระแปะเอามาเป็นคำไทย ไม่แน่นำโกวาดฮะนักอันนี้นอันมาสอนพระพุทธเจ้ามาสอนเราไม่ได้แน่นำว่างผัวก็ไม่เอาพระพุทธเจ้าสอนหนึ่งด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมินสามด้วยไม่ประพฤติร่วงใจสีด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวสําหรับผัวเนี่ยสําหรับเมียจัดการงานดี สองสองเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีสามให้ประพฤติร่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาไดไว้ข้อห้าขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทางผัวผัวก็มีมีเนี่ยนะหาคอใสกันยังสิควานสละเบาแยงมานสิมาจากประตูไหเมื่อ ก, กี้เลท่านนะอ้นี่อันนี้เอาผัวคนฟินเจ็บกินกยาเพ่อ น, น่ะเอาผัวคนซ่าก็เมียนขี่เทาเพ่อ น, น่ะเอาผัวีเราไปเท็หนำไรมันก็บวักันดินตัวไม่เานะ่น เงีอนกบะปัดถวยกบะล่างเขากบเทมันกัทะเลาะกันทั้งตัวนพระพุทธเจ้าบอกกนหมดแล้วอันนี้อันพระพุทธเจ้าบอกว่ม่ได้เก่งเก่งขนาดงมึงเก่งขาบึงเก่งเจ้าคือเก่งเจ้า ถ้าทางมันที่เอายวนนะคาสวยๆอันนี้อันพระพุทธเจ้าว่าสอนว่าไม่หลอะคนทำไมจึงไม่เหมือนกันพระบรมศาสีรัน์เพราะบา ร, รมีสร้างมาไม่เหมือนกันคนตายง่ายเพราะอะไรเพราะเคยเบียดเบียนสัตว์แต่ชาติก่อนคนที่มีอายุยืนก็ตรงกันข้ามมีอายุยืนอยู่แต่มีโรคมากก็พระเคยเียนตีสัตว์ มีอายุยืนด้วยแล้วก็ไม่มีโรคด้วยมีแต่โรคชรลาก็คือไม่เบียดเบียนสัตว์นะไม่เคยได้ตีได้เคียนเลยหลวงปุทเทศม่ตีบันเขียนสัตทั้งหลายอ่เข้าเนี่ยเคยตีเคยเขียนสัตทั้งหลายเคยยิงนกตัวหนึ่งนี่นี่อาภุข้านก็ไปยิงสองพันสองพันสี่ห่อยฮึ้า อายุสิบห้าปีขานเข้าไปยิ่งนกนกเขาพ่นผู้ใดผู้ใดผู้ใดสิยิ่งมันได้นกเขามันตาดีคือสิตายเนี่อันนี้มันเป็นปลาละเมออยู่มันเป็นมันเป็นมันเป็นหกทางลมแลยู้ยตัวอ้อมอ้อมหมดมันจับยี่สิบตัวหมดดนว่ประมาณจักแปดแมงดีดองเมือนฮะดอกลงมือนหัวหน้าะนะมัดทีวิตไก่นกเขาตัวเดียวขน่ะ คอยข้ามข้าไปข้ามข้าไปข้ามข้าไปเข้าไปนะมันก็นั่งมันก็จับยกตัวเดียวมันตามันพีเดียข้างข้าไปใสเข้าเข้าไปโตมันตามันก็เลี้ยวผัวบุกุลอยปอนพูกเขินป้อนพู้พูนป้อนพูกขินป้อนผูกเขินผู้จับสองว่างเดียวหองเดียวตาดีๆเอาใสื้อเออมึงนี่เลยเอวัชนหูหูร่องเขาดีๆแล้วก็ทึงนี่ยทึนี้เลยมันอยู่สูงประมาณจักแปดเมตรน่ะ ตกก็แก๊กก็แก๊กพวกแกเราไม้ยามันข้างกับนันว่าข้าตกเาไกตรงนกลับเอามาได้กันถอดลูกโคออกก็ก่อก็ก่อได้ตายมึงชนมึงชนะองัสั่งกับาวเนี่พอหอดสองข้หาอยสามิีระเบิดขึ้นนี่แล้วเนี่ยโลกวใจตีบนี่ไปร่งพยายบาตเกือบพ่ะท่านสมัยนี้ยังรกายอยู่เลยใช่หรอัญญามา้ยรักษาอยู่เลยสมัย น, นีนี่ โล้หัวใจตีบช่องเลือดพระท่านเนี่ปวดออกจากนี้เน่ยเกือบตายไปเกือบไปพระท่านนั่นน่ะทำาตามอาําใดไหวทํากรรมอันใดไหวจะได้รับผลของกรรมนั่นสืบไปเอวงงางนำให้อภินัหังประเจเอกคิดตะบางเราทั้งหลายจ้องพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดมันมีใช่ว่าก่งงินมันโมนพิษนัน่นเรามีความแก่เป็นธรรมดาทุกเรามีความเก็บเป็นธรรมดาทุกเรามีความตายเป็นธรรมดาทุก เราจะต้องพัดภาคจากของนักของเ ข, งขง้าไปเป็นธรรมารกเรามีกรรมของตัวเราทำดีจากได้ดีทำชั่วจากได้ชั่วนะมันมีอยู่เันนี้ลำเอียงของกัตรศาสนาไดยศาสนาสลิสาล่วงไปศาสนามันกับประด้นนี้ไปใส่กันมัมันกัเป็นของแขว่ของคมอยู่ศาสนาล่วงไปขนาดเท่านี้เราไฟบะฮอนสิว่าท่านบอน้ำกะเพรเย็นสิว่า่นบอน้แข็งก็เรเย็นสิว่าท่น บ, บักพริกก็บรเผ็ดเออบักหน่าวกะเพราสมสิว่า่านบอ ไม่เคอเคลิ้มว่าอะไรเลยอรอผู้เชื่อกรำรและพ้นของกรรมก็คือผู้เชื่อพระพุทธประธรรมประสง์ั่นเองบุคคลผู้เกิดมาเป็นบาปเสียเจเนตเผดมนุษย์มาแต่กำ เ, เนิดกำเนิดนั่นเป็นพระอะไรก็เป็นพระเศษกรรมของบาปที่กินเหล่าไปมาไปตกหมาลูกหลายแสนหล า, ลายล้านปีกินเราเนี่ยออกจากพันเป็นเผดออกจากเผดมาเป็นคนผีบา เป็นง้อกับเป็นงัวบ้าเป็นค้อยกัเป็นค้อยบ้าเป็นบึ้งก็เป็นบึงบนบ้งบ้านก็ถือว่าเป็นคนเอกอาบันก็ถือว่าเป็นคนธรรมดาคนที่เกิดตระ ก, กูลตำ่ำไม่ได้เกิดตระ ก, กูลสูงนะท่านเกิดตระ ก, กูลข้อธานพเพราะไปยังพราะกล้คงข้อหบอ่ อ, อนมากจะตีตนเสมอเพื่น า, นานนะ ท, ท่านหยางงาท่งกับว่าหายหนท่า แกผ่ดเถ่พแกแกพวกขนป่าขันป่ากับขั้นป่าขันรุงกับขั้นรุ่งตีเสอวัดว่าม่สูงว่าไม่ต่ำเหตุการณ์จะเกิดตระกูลต่ำเพราะเกิดตระกูลสูงกับตรงงานขามือนกนเราะคนที่เาคนเราเพราะระรมลาซ่าเกิดตระกูลสูงที่สุดเพราะมันเข้ารอบที่สุดนั่นไวสิว่าอยากเกิดเกิดตระกูลสูงไวสิว่าอยากเป็นคนห่างคนนี้แต่เพราะบุพกตรมที่สร้างไว้เห็ุสมพราห่างกับเาหางเห็ุผพรี่กบเพาีแต่ถ้าก้อนขาดการการแห่คาับ ทศกคอนขาดการห้ท่าตุนะสัมหมอนึงก็โยนยในข้างพระพุทธเจ้าของเข้ามัวพระพุทธเจ้าข้างพระพุทธกาลเมื่อนี้จับสลากกั น, นัจับสลากร่งบุญวาสนากนานพยาจะถือพระพุทธเจ้ารเราไปกินไป่านนะัพระพิสุสงไม่สนใจจับสลากกันท่านบาทใชทุกตกะหนึ่งไปจับสลากถือพระพุทธเจ้าทียบา้านอย่าาสร้างเทวเงื้ยนคนจ้างไล่บ่ห้ มึงมสมธนาเอางนมึงว่าถือพระพุทธเจ้าวะสันผู้จักรูที่มีมันจะถือวาสันพร่าก็ไปซื้อว่าจะซื้อเอาเมลีวผู้ข่าววเกยไดพระพุทธเจ้าเทียววาสันให้ผู้ข้าท่านน้อยหลว่าสนเต็มเพชรฝาเพชรเด่นผู้ข่าวก็บอาเล้วันแล้วเงินวะไม่จัดกระเป๋าไหนจไนน้อสันยังไปห้าววาสันบกว่า็ไม่อาแรับจ้างเศรษฐีพาฟื้นมัดมือก็ได้เงินมาเนี่ ไหนเงินมากแล้วกับไปซื้อปลาตะเพียนที่แม่นามาเฉยแล้วว่าดีที่ท่าบ้มองเขาเขาดักมันได้แหละมันตายแล้วเลยมาแกงมาแกงเทวุฒเทวราพระเย็นพระพุทเพ่นทุ ก, า, กทายทุกขตะเฮ็ดอาหารในพระองค์เจ้าพ้นกั บ, บรรดานเอาของหอมทิพเอียงมาใส่หอมกลุ่มเมืองนูกค้าบุญเรามี ขึ้นข้าวนั่นพระพุทธเจ้าก็ไปไปบ้านไปบ้านเราเรายอดที่สุดนี่นในในอยู่ในธรรมวัตรไม่สมไปคือบัแทงข้ามธรรมวัรพ่อพระพุทธเจ้าไปเห้อนเราญาสองนะเท้าน่ะเมื่อนั้นโยขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้า ว, ว่าได้กลม อ, อันนี้สองพระพุทธเจ้าอเนพระพุทธเจ้าสันแล้วสันแล้วลเรื่องวาเมื่อนกกรงคือเกา ยู่ม่ายู่ม่าแล้วก็ได้เป็นเศรษฐีกับหม่องกับศาสตร์นระให้ผสมผสานอะไรก็ได้ให้ผสมผสานมีก็มีแล้วโดยอำนาจของพระเจ้านางวิศาขาเพื่อกันนั่นนงวิศาขา้มีทรัพย์เจแปดสิบโกดปูะนามีทรั พ, ร 3, 4, รพรย์เสี่สิบโกดปูไม่อยากกินนักทาน กูบอกินว่าถานำารศาสนาพุทธกูก็มีอยู่เกี่อกันนะโอ้ยคนปู้กินเขาเก๋วไปนะวันน้าอนะีอันนี้มึงจะว่ากูกินของเนา่าของเห ม, ม, นะนะม็นวะวันนาวันน้าเมด้ว่าจังสันไอ้คุ้นปูไอ้กินเขาเกาวไปนะคุ้นปูมาทเอกทีไกินสไนะอันนั้นไม่ผลบุญแต่ศาสตร์กรผลได้มากานนะคุ้นปูไอ้เขาสู้พนิพาณสลนะนนักกระล้วไปมาก่รคุณปูว่ไ้เขาพญิสูพพานคุณปูสิไปกินเอียงคุ้นปูมาทาบุญต่ออีกไนะตัวรืงก็เลยเอา ตำน้วิสาขานะีม่มัดตำนานาออา้าข้าพระองค์เก้าเาั้วไปทั้งไรมีวัดขพุทธข้าราส า, าเดวสามาระมีมากเท่าไรแต่งพระเจโโา้าอนมาทัศีเดียบวนธรรมาวทรสายมั่วมีมัดพวกสาวดานของพระพุทธศาสนาพวกสาวดานของศาสนาอื่นมันมีเอยียงสาาระมีม า, ถถ า, ากเท่าไรจังเลมาเป็นีนบอมีเห็นได้พระเจ้าจังวริยไสาตนาพุทธ เพราะกรรมและผลของกรรมยังผูกมัดรัดตึงอยู่สัดซีเท่าสองเท่าสัดเสือกซัดข้านซัดไว้ในหนา้าดำในดินวินในอาการจักได้มาเปลยนม็นมนุษย์มัดแล้วจักได้เหลื่อมใสว่าพุทธศาสนามัดจัปั้นจังสิศีลเข่าสูงพระนิพพานขันว่าจังสันจะหาบเลยอทําไมจึงมีผู้เหลื่อมใสพระพุทธศาสนาน้อยนักนะเป็นอย่างยังมีแม่งเพ่งน่อยแม่ว่านหลายแท้่าจจะตอบได้กันเลย เขาจะฆ่าปะไม่นบอกสุด้ยพระพุทธเจ้าเทศน์เอว่าไรกัฝากเลยกับพระพุทธเจ้าอ ง, งานาบก่นพระพุทธเจ้าสีมานี่พระตั้ละละละละก็ร่ร่านพระองค์นียร้อยโกรธพระองค์สิมาเนี่ยนยอนาคตเร้อยโกรธพระองค์มาสอนอันเดียวกันนะามสอนขนาดศาสนาอื่นๆกษิตเลื่มใช้ศาสนาพุทธปัเจ้าคอยกษิตเลเขาสูพระในพานขาชันยาหาบเลย เขาไปยังเาจังว่ามั่งสันย่างกำฟูมัดยู่มันกับ่อมาเลยมันบันดาลว่าให้เร่อมใสพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์เนี่เทศเอาก็ะไรเทียรเขางอวีสุ้มขนงอวไปใส่มัดสันเอาบุคคลพุท่เข้าสูพะนธุภาพได้ไม่ร้ายไปไหนสันพระพุทธพระอรหันต์ถามพระพุทธเจ้ามาแต่ละองค์ละองค์เลยสันนี่เอามือนี่จบลงขี้ดินนี่มันติดอยู่ไมธานีเนี่ยสันพนว่าช่นั้นย่งเขาสูพะนิพภาพสันได้สันพันว่า ฝากไปพระพุทธเจ้าองค์น่ะต่อไปได้เสื้อพระพุทธเจ้าลงแล้วเพตนินนะสองแสนสี่หมื่นยอดเข้าลูกระเบิดปรมานูทําลายแตกได้เสื้อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงแล้วไม่ผู้ใดทําลายแตกเลยบอกท่านว่าี่เรียกว่าพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นอนแล้วการประพฤติการบ่สงสัยทําน้อยก็ได้น้อยทํำร้ายก็ได้หลายสิสงสัยพระพุทธเจ้าเนี่ยบุษย์ได้สอน หรือออนแต็มพวกนีเ้เครื่องบินเครื่องว่อยวิทยุทยีมืวอนี้ไม่ได้สงสายพระพุทธเจ้าปิะเทศพระเปียนะมั น, ม, นมันทั้งเสียน้าออกพระพุทธเจ้าว่าสนใจว่าสิ่งใดในใจโลกธาตุจะว่าเราทําไม่ได้ไม่มีเราทําได้หมด ม, มันไม่มันไม่เป็นนิยานี่ก็ะทำนำสัตว์ทั้งหลายออกเราก็เลยไม่ทําพระพุทธเจ้าเราหาเลือกทําแต่สิ่งที่มันจะนําสัตว์ทั้งหลายออกรเราไม่ใช่เราทําให้เป็นเราทําหมดแล้วเดี๋ยวนี้ อยกเห็นโลกสิอยาางยังเห็นอนนี้จังคณะเจนหนึ่งก็เห็นโลกวัฏทักรตัวพะโลกเต็มไปด้วยอันนี้จังปัญญายะกปัญสุธิสตินักเทียปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเท่านั้นส่องทะเลาะู้เขาเห็นอันนี้จังกับทะเลาะผู้เขาส่องทะเลาะผู้เขาเพราะผู้เขามันแตกก็เจอเป็นเน่ห์เห็นทุกข์ก็เห็นโลกรอบนึ่งล่ะได้ในโลกล้วนอันนี้จังได้ในโลกล้วนทุกขังได้ในโลกล้วอนัตตา อย่าสงสัยในนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยอดีตคืออะไรคืออนนิจจังทุกขรังอนัตตาที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออันนิจจังทุกขังอนัตตาที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออันนิจจังทุกคังอนัตตาที่กําลังเป็นอยู่ความสงสัยโลกทั้งฟัวไม่มีเมื่อความสงสัยในโลกทั้งฟัวไม่มีเธอก็ไม่ยินดีในโลกทั้งฟัวเธอก็เหี่ยวถึงพระเนรพาลเธอไม่ยินดีในโลกทั้งปัวเธอเหนียวถึงพระเนรพาลแล้วก็เปิดประตูพระเนรพาลไปในตัวอนาที่นั้นเองศีนึปกขาก็เลื่อนขึ้น เรียกภาษีนชั้นสูงสมามิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงพระพุทธเจ้าสอนถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีท่านผูดด้ใดจากข้ามทะเลหลงของตนไปซะพระพุทธเจ้าสอนท่ามชั้นสูงสอนมาให้เคีตลับในวัตฏสงสารเถอะ่ ใ, ให้มาหลวงวัฏสงสารจะทําทดีเดน่นสักเพียงไหนก็ตามก็ทําออกจากาศาดินน้ําไอยลมพังก็พังองไปเป็ น, น, นหน้าน้าฝอยลมเหือกันจะเกิดมาผู้ใหญ่ซ้ำซางนี่ก็ตามก็อเกิดมาจาก มีธาตุดินน้ำไฟร่องขั้งลงไปเป็นเด่นน้ำไป็สไฟร่องคือกันดินแต่ไฟไปเป็นด่นน้าแต่ไปเป็นน้าไฟแต่ไปเป็นไฟลมแต่ไปเป็นลมส่วนบาปบุญก็ไปหาบาปพระบุญถ้าไม่มีบาปไม่มีบุญก็เข้าสู่พระนิพพานถ้าพ้นแล้วบุญจากเกลียดนั่นม่พระพุทธเจ้าองค์พระองค์เดียวจําพวกเดียวนะมาสอนโกงกันว่าด้แย่งกันเลยมันว่าจะคือผู้แทนหลือไอ้ผู้แทนนี่ยหาเสียงกันแล้วจะตายพระพุทธเจ้าว่าจะไปหาเสียงกับใครได้ ม่รู้ถ้ามันกรรูดถ้มอ่านเกาหาดิงสเสือดอกจกแผลหลักดิงไป <g ül> <g ül> เดี๋ยวหาดิงแผลหาดิงถผมาหลักดิงไป <g ül> น, <g ül> นี่นี่คำสอนพระพุทธเจ้านี่นี่นี่นี่นี่นี่เป็นธรรมาธิปไตยคําสอนพระพุทธเจ้าคนสัน้นทุกสั้นง่ากเอาไปปฏิบัติกับบวชเฮ็ดคนสั้นสูงเอาไป ป, ปฏิบัติกับบวชเฮ็ดคนสั่นกลางเอาไป ป, ปฏิบัติกับบวชเฮ็ดในผลตามส่วนคุณคาของเหตุปฏิบัติหน่อยละมา้นี่เป็นดิงแนะี่ไง สร้างใหม่สีเก่งปัณิคต้องเอาดิงมากสี่แห่งมาต่ประเทศดอกกระตามก็ต้องเอาดิงมากนักกฎหมายกนโมกัดพักกัดพวกขึ้น ก, ก, ก, ก, กันที่มาตั้งขึง้นเก่งปัณิคต้องเอาคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นดิงถ้าปีนอันนี้ไปแล้วไปบ้าอดเป็นธรรมะที่ปตายเห็นใ้สพระพุทธเจ้าจะเข้ารบธรรมถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถเข้ารบธรรมได้ถ้ามีอยู่ก่อนแล้วจะสามารถเข้ารบธรรมเหตุ น, นั้นเราจึงพูดสบายเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดตามธรรมะ พุฒิเจ้าอัตตาธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่ประชาธนปไตยเห็นประชาชนเป็นใหญ่เมื่อเห็นประชาชนเป็นใหญ่ก็ต้องวัดเข้ากับทำบ้างถ้าแย่งต่อทำก็ไม่เอาหมูน้อยหมูมากลากไปในปีนเกลียวของทำก็ไม่เอาหมูน้อยลากไปแต่หางถูกถ้ำก็ต้องเอาเอาถ้ำเป็นเกณฑ์เนี่ยสมัยสมัยนี้ว่าเอาถ้ำเป็นเกณฑ์เนี่ยเพื่อนมีเงินหลายกษณะหมูลละมึงมายกมือกูกูกะจ้างเอาหรืว่างได้ท่น กูฆ่าคนตายมึงนีัดล้านกูเอาเงินให้มึงใส่ละกาม็ดแม่นบ่แต่ว่ามันหางมันห่าระเบิดขึ้นที่หลังเนี่ยคนก็กลับไม่อยู่จีว่างเนี่ยนะวันนั้นรเบิดระเบิดขึ้นที่หลังเน้่คนก็กลับไม่อยู่แต่ยิ่งนกตัวยวมันก็ยังระเบิดตามมากับศาสตร์เนื่ยไประเทศร้ายก็ทำให้พวกมันแห้งนั่นแล้วอ่ะคนก็กลับในท่าดีมันก็ตามมาเช่นกัน นี่เทากับยุวานน้องผือนะคบกอบอุจระล้มูมันนี่นี่นี่ีน่นี่ะกอบล้อุจระ้ของลงู้มันดูศาภาษาเน่ะเขายุวานนองผือสีภาษา น, ะ น, น, นาษาี่เข้าไปปีภาษาที่แรกคนมาหันป่วยภาษาที่สองคนป่วยปีที่แรกหา่างปะเห่ปีที่สองที่สามมาเนี่ยมิดอันซ่อนไม่ห้างปีที่แรกหา้าอะเข้าไป ถือเพชรค้าจักรีกับห้ายคุณข้าว่านคุณถือค้าจังรีก็ย่องข้าฟาคุณย่องกับว่าห้ติดด่ากับว่าห้ติดยู่รงรูควันยังอยู่ได้ไม่นาที่ละเฮ็ดพระผู้เฒ่าก็ไม่ห้าผู้เดียวยุหันประจําสียพรรษานะนอกก็นั้นเด่นมัดนนะมื่อด้มีผู้สีพรรษาจะกคนได้พระผู้เฒ่าห้าบวดพขยแกได้สามสิบเด้ พูะพุทธไมตเาห่อหลายยุคหันทังซีพันศาเป็นมูดกับพนิกจานเท่าเข้ามาไปจานว่านุ่นเทาหางรับงานหงายบกั้นนักกเพนงอรับรับงานนักนกเงียบอยู่บ้านน้องคือนดาผ้าแตกเพื่อนเพิ่นกเขตเท่านี่ล่ะให้เพื่อนไฟกบ่ามนสองไฟไฟกบ่ามนสองไฟจ่า เฮ้าองหน้ามืยา้ยนี่คือกันฟ้ายองหน้ามุ้คือกันหาผู้ทีามาม่เฮ็ดวะไหมเพราว่าภัย่าาไม่รับไม่ผาก้อเสียมคือกันนสั้นหลปู่หลวงู่หลวงูมันว่าของง่ายๆนะถ้าไปญาติเอาสิ่งเอาของน้าของนำงํำมังเสียต้องสองเมื่ออะไรญาตเอาคุกเข่าละญาตเราะเขา น, น้อยขนอยทีเฮ็ดเราค่อยดึงมาสัากก้อนค่อยดึงม า, า, าสักก้อนสาวถืดกระดิ่งดิ้ค่อยดึงมา เพื่นเห็นเฮาเข้าเราเพื่นทางว่างเราเพื่นเห็นเฮาเข้าเราเพื่อนทางว่างเรอเขานั่งขู่เขาเราเข้าเข้าเราคันว่าเราไมาพจอไปแก่เพื่อนก็ว่าตามเรื่องของเพ่นกรยาเพื่อนเราบ่คันว่าเราปพจ้ไปแก่สันทั้งวัวพอจอไปแก่มันเถียงหะอเออคนในประเทศเราดึงว่าค่อยดึงว่าเพ่นทางว่างดรเอาเฮ็ดหน่อหอมเฮ็ดเขาไม่อยากเฮ็ดเพราะว่าเนี่ยผิดพับหลดเด้ร้งกรุงหวันมันคอยเด้อะนี่อันนี้สงเฮ้า กำขีองค์บุญธรูมัน่เบิ่งดู่นะฮะเนี่ยฐานห่อหนึ่งุรุมหลสองสามสี่หกคนพ่อใหญ่ไม่หองทายหกอันนี่นี่นี่นี่พระอาจารย์หาบัวมายามคือที่นี่ผู้ฟ้องว่าเฮ็ดชราใหญ่สร้างหันสร้างนี่สร้างหันสร้างนี่ ห่วยวะยาไปไดนนานน้อพะน้าวะยายไปไหนนนน้อพะน้เข้าใจว่าตัางนาจึ่หายเคือึมผู้ฟองมเาเห็นทลายไงนะห่วยวะยาไปไนนนน้อาจากพะนาขณนี้ข่าวว่าแพ้ว่าขอแห้งถือหมักไงนี่วันนี้ข่าวา่าแพว่าขอจะเื่อได้กจะ่หายนันนี่ยไปไปเห็นมาหาันตัวว่าวมาชุวนี้คือจเป็นเรื่องขน้อยประกาบเลี้ยน ลวกผู้มาหาประเทศเทพนั่นนงกรผมว่ายังยั่งู่เดียวนี่อยู่บ้านน้องเพื่อนมากกรผมนะมันเท่าได้เหุนะเทาไปขอโอกาสเพรานอาจารย์มหาเพราโอกาสเฉันขน่อยที่เหตุต๊ะ อ, อี้ขนอยเหตเป็นไ่ว่าฉันคัขนขนอยไปขอโอกาสมันจะขวมหัวคู่บ้าไ า, าร์ว้ฉันคัขนขน่อยว่าเห ต, ตุมันผิดดิไว้ฉันคู่บ้าอาจารว่เหตมันผิดไว้ฉันเพราะมากนี่มันด้วยไม่ไพ่ กกเก็กกเก็ตก็เพื่นแห่งนสันโดษหลวงปูม่มันกกเก็ตกกเก็ต ก, ก, ก, ก, กขันเขาน้อยเพาเห็ุามันทับขานอยเพ่อแม่ครูบาอาจารย์บกับมาทับได้ว่ามาทับเขเห็นได้เพราะว่าเคยสางขรรวาดได้ว่าต๊อ้อีข้ขาน่อยแค่เป็นหรือว่าโอ้ขันบกว่าท่านกน็แม่ค่อมาาได้หเล่าเนาะท่า น, นเนะพื่อนก็ะเล็ไปควโอกาสหลวงปูม่มนันหลวงปู่มันก็เลยย่อมาเห็ุยอมาเหตุครูร่าอาจารย์พกก็เตุใอยู่ มาซมนี่คม่แมอสอันนี้สมอันนี้ให้ลูกปูมันก็ลังขน่อยว่าห้เสิเลยเไปบัดแม้นพูดอะไรนะรอตีมันมากะซุ้มกัน้นี่ว่ามันคือตายแทรเดี๋ยวสิวาสันที่สนอกระไรเงียบไปวันเถอะอันไฟฟ้าเนี่ยเขามาถามเขาหน่อยว่าพลวัตมวยยันดีน้าไฟฟ้าเด้เขามาถามเขาน่อยพวกพัฒนาเนี่ลูงปูทีเอาว่าไฟฟ้าไว้่ เอาวาเอาก็มันก็เป็นเรื่องว่ามันเรื่องของเขาว่าท่าะเาก็หาเงินวะเป็นว่าท่านก็ไปทํามแดดทํามรอบมองไปมันเสีเอววว่าท่านเขาห่วยตายฮะหนิบานนี้ไม่ใช่พูดเราห์ไปงั้นเลยหอไปทํามแดดทําม่อบมงนลูกมันเสียอาวว่าท่านเขาวาเขามันผู้หาเงินไท่วะโอ้ตายอือคือมันนักเดี่ยววะ่นเขาใคยเอาเอาเข้าเทปสาวใบไพ่เคลื่อนไห คุณย่อมรนี้มาเห็นเราก็หบเอาดเนี่ยอะไรหุบเอาบัดเนี่ยบ น, นทางบเห็นบ่ออะรพอเกี่ยวกับ น, น, น้น้ำปุตโมาทะพุนสี่กิโลน้าน้าผูนี่ผมมีเลยเนี่ยน้าผู้นี่ผมมีค <c oughs> อน้ำยุ่ยสิบสองปีขอน้ำยุ่ย <c oughs> ่เห็นบ่อเห็ดห่านเราเหมูกแตกนี้นนนนบัดทันยาพเราอยู่บนเดียวว่าแตอึดน้ำตายกระไอยุ่ยยังห่านมูแตกนี้ยา ง, ง, งเดียว ยังจะห้สองสามก้นสองสามองค์อ่เนาะน่ะไม่ได้ยทุกขามัดแเ่ติมากอบไปม า, าไแม่บ้านมานลบอกมันอยู่ไหล่ะฮะโอ้เขามามัน่นแล้วมันหยาบเรื่อเวาเหมือนลูกหลปปเหมือนหลานน้อปูคือวาหยาบแต่ปัญหาวันแรกว่าแบบลู ก, แบบลกแบบหลานเนี่ยทาน่าคาด ท่น า, ขาทนาขา้านทานข้านมกดอาหานเดี๋ยวนี่เขายายไปทั้งอืน่นผููบาลไม่มีแก้กามาแล้วบอกก็มูวกบ็บ า, าหลายเขาเขาพระวนาจจเจ้าเขาบวกลายได้เอาน้อยเดียวหนี่งแต่เฉพาะ ว, ว่าหารหารลงทั้งใจเนี่ยจงเป็นผู้มีอิสระทางทําดีตามส ต, ติกําลังของตน อย่าเป็นผู้มีอิสระทางทำชั่วเลยจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดีตามสติกำลังของตนเถิดอย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำชั่วเลยความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากมันตรงกันข้าม นอกจากใจก็มามีอะไรจะทำดีให้ใจนอกจากใจก็มามีอะไรจะทำชั่วให้ใจใจเท่านั้นทำดีให้ใจใจเท่านั้นทำชั่วให้ใจนอกจากใจก็มามีอะไรจะหลงใจไม่หลงใจตอนไหนก็ไม่หลงธรรมตอนนั้นไม่เดือดร้อนใจตอนไหนก็ไม่เดือดร้อนธรรมตอนนั้นตาหัวใจหมุนเลื่ายใจมันไม่มาแย่งทำดีทำชั่วด้วย ก็มีใจถ้าแน่นเป็นพุทําขึ้นพุทธธรรมสงก็ทรงอยู่ที่ใจเป็นเชือกสามกรี๊ยวเหนี่ยวล่างอยู่ที่ใจเลยศินห้าถ้าไม่ร่วงละเมิดก็มาเป็นเชือกห้ากรี๊ยวอยู่ที่ดวงใจศีลแปดถ้าไม่ร่วงละเมิดก็เป็นเชือกแปดกลี๊ยวอยู่ที่ดวงใจศิลสิบถ้ามาร่วงละเมิดก็เป็นเชือกสิบกรี๊ยวอยู่ที่ดวงใจไม่ได้อยู่ในที่อื่นหาที่อื่นก็ยิ่งตื่นไม่พบสินสองร้อยยี่สิบ ก็เป็นสองรอยยสิบเจ็ดเกลียวอยู่ที่ดวงใจแปดมืนสี่พระธรรมขันธ์ก็เป็นแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เกลียวอยู่ที่ดวงใจพระบรมศาสดาสอนว่าปัจจุป น, นันจะโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอนแงดคอนเกรนเลยศีลรก็มีในอยู่ในปัจจุบัน สมาธิก็ตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญาก็รอบรู้ลงในปัจจุบันตกลงศีลสมาธิปัญญาก็กลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหลฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิริยะเพียรบรรประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจวัณฑิสตะเอาใจฟักฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิมังสามันตรีตรองพิจารณาเหตุผล ในปัจจุบันในธรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันคุนที่อย่างนี้มีบริาาบูรณ์แล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยในการรักายทุจริตประพฤติกายสุจริตในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตในการละความเห็นผิดทําความเห็นให้ถูกอีกอย่างหนึ่งระวังใจมาให้กําหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดคือราคะระวังใจมาให้ หลงในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจมาให้มัวเมาในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความมัวเมาระวังใจมาให้ขัดเครืองในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความขัดเครืองคือโกรธความโกรธเป็นความขัดเครืองระวังใจมาให้มัวเมาในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความมัวเมามัวเมาว่าตนจะไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความหลงคือหลงก็พุทธธรรมพระสงฆ์หลงจากศีลธรรมหลงว่ามามีบุญไม่มีบาปเรียกว่าหลง บาปมีอยู่ที่ใจบุญมีอยู่ที่ใจบางท่านก็ถามว่าคนตายแล้วเกิดหรือไม่พูดมาถามก็เอาก้อนเกิดมาถามก้อนตายมาถามผู้ตอบก็เอาก้อนเกิดตอบก้อนตายตอบก็ไม่ควรถามกันตอบกันใช่หรือไม่บางท่านก็มาถามว่ามีวิญญาณจริงไหมผู้ถามก็เอาโมโนวิญญาณมาถามผู้ตอบก็เอาโมโมนวิญญาณตอบก็ไม่ควรถามและตอบกันเขาเขาเรียกว่าพ่บ้ตถ า, ามกันตอบกั น, กนใช่ไหม บางคนเขาทําดีจะตายเขาทําชั่วจะตายทําไมเขาจึงได้ดีแต่เราไม่ได้สังเกตเข้าไปอีกว่าเขาจะดีไปขนาดไหนเราก็ไม่ได้สังเกตแต่พอเห็นเขาเราก็ให้คะแนนเลย <c oughs> ถูกไหม <c oughs> เขาจะถูกสอบกลับหลังหรือจะตามเขาทีหลังเราไม่สังเกตใช่เลยพอเขาทําเราก็ให้คะแนนเลยใครเป็นนักรบเอกคือพระอาหารหัน ลบชนะกิเลสไม่โลคไม่โกรธไม่หลงแรกก็ออกจากนอกโลกไปซักใครเป็นผู้หาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะเลยก็คือพระอรหันต์นั่นเองหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะเลยสุขของกนหัตก็มีอยู่สี่อย่างสุขเกิดแต่ความเมพย์สุขเกิดแต่ใจรับบอดิโภคสุขเกิดแต่ความ ไม่เป็นนี้เป็นศีลสุขเกิดแต่ทำงานที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อานาจอนิจังเกิดขึ้นแล้วก็แปปวนแล้วแต่สลายไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่พะเลยสุขในพระพุทธศาสนาในโลกพุทธละสุขคือยังไงสุขในพระสวสดาบา์สุขในสักทาคาเมสุขในอนาคามีสุขในพระอรหันจบสุขแล้วพระอรหันเจอสุขจบแล้ว นโมพระสสดาบันไม่หลงทางนโมพระจักกะทาค่ะนโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมนอบน้อมจนไม่หลงทางพระโสดาบันไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดสินห้ า, า, าไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดอบายยมุขไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดค่าขายเครื่องประหารค่าขายมารดค่าขายสัตว์เป็นรายเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าไปเป็นอาหารค่าขายน้ำมอนค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้พระสโสดาบันไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดเลย และไม่เสยดายจะจองเวรท่านผู้ใดด้วยเคยได้ทำเพจเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้แลวกันไปซะถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้แลวกันไปซะหรือเราไปก่อเขาใหม่ก็ให้แลวกันไปซะข้าพเจ้าจะไม่จองเวรไม่หมกเวรไว้ในโลกเลยนักภูมิปโะดาวังสิ่งไหนไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่นักใจไม่เสียดายร่วงละเมิดอบายมุขก็ไม่นักใจทาไมจะไม่เสียดาย พราะเห็นแจ้งชัดในปัญญาเนะี่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ามันเป็นทางชี้หายโดยส่วนเดียวไม่มีทางเจริญเลยเรียกว่าเห็นถูกเรียกว่าสัมมาทิฐิเบื้องต้นและไม่เส่ใดอยากกระถือศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนา เขถือว่าพระพุทธศาสนาสอนหมดแล้วมนุษย์สมบัติเต็มภูมิสวรรค์สมบัติเต็มภูมิพรหมสมบัติเต็มภูมินิพพานสมบัติเต็มภูมิเป็นของเวลาสมัยทันสมัยเหนือสมัยอยู่ทุกการทุกเวลาอีกเสียด้วยครอบโลกอีกเสียด้วยเหนือโลกอีกเสียด้วยและต้องไม่มีประมาณด้วยคุณของพระพุทธศาสนาของพระพุทธธรรมวสอไม่มีประมาณ แผ่นดิน 2, 000, 000น้าสองแสนสี่หมื่นโยธก็มีประมาณอยู่เม็ดแดดเม็ดลมเม็ดฝนทั่วทั้งไตรโรกามีประมาณคุณของพระพุทธศาสนาไป ม, มีประมาณเลยเป็นอนัตตาคนเท่ไหร่เกิดไม่ดับเหตุนั้นจึงว่าอัปปามโนพุทโธอย่างเต็มภูมิอัปปามานทโนธรรมโยอย่างเต็มภูมิอัปปา ม, าน ม, มโนสร้างโคอย่างเต็มภูมิไม่ประมาณเลยพระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนั้นยืนยันในทางที่เป็นจริงไม่เป็นอุ ป, ปาทาน สิ่งที่ดีเราว่าไม่ดีมันก็เป็นของลําเอียงลําเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทากติลําเอียงต่อพระพุทธศาสนาลําเอียงเพราะความไม่ชอบพระพุทธศาสนาเรียกว่าโทสากติลําเอียงเพราะเขาคบพระพุทธศาสนาไม่แตกก็เรียกว่าโมหกติลําเอียงเพราะกลัวถ้าจะถือศาสนาก็เก่งว่าผู้อื่นเขาจะรังเกียจก็เรียกว่าพยาคติ อคติสี่ประการนี้ไม่ควรประพฤตพระบรมศาสนาสิ่งไหนที่พระบรมศาสนาไม่สอนไม่มีเลยหัวกคเมียก็สอนอะไรก็สอนมดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพมสมบัติเนื้อผานสมบัติสอนพอแล้วดีแล้วมดไตรโลกธาเนียพระเพียรศูในสมัยปัจจุบันจะเป็นปาราชิกหมดพระพุทธศาสนาก็ไม่เสื่อมก็เป็นจริงอยู่อย่างเดิมนะนะ ถ้าคนดีไม่มีอยู่ในโลกคนดีก็สืบโรคไปไม่ได้มนุษย์ก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกันสิ่งที่ควรนึกคิดอีกเราคนเดียวเป็นมนุษย์โลกไม่ได้ถ้าเราคนเดียวเป็นประเทศไม่ได้เราคนเดียวเป็นพระนครหลวงไม่ได้ เราคนเดียวเป็นจังหวัดไม่ได้เป็นอำเภอไม่ได้เป็นตำบลไม่ได้เป็นหมู่บ้านไม่ได้เป็นครอบครัวไม่ได้เป็นวัดเป็นวาไม่ได้อีกเหมือนกันเหตุนั้นจึงควรพิจารณาตอนนี้เขามอบให้อยู่คนเดียวจะเอาไหมเราไม่เอาเรามื่เอามอบให้หมดโลกเนี่ยไม่เอามอบให้อยู่คนเดียวให้เอาซักซับเต็มโลกไม่เอาเพราะเหตุใดเพราะเราก็จะตายซับทั้งหลายก็จะ แตกสลายไปเหมือนกันน่ะพระนารายณ์หาความสุขในโลกในเจอในไ ม, อไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ประมาเห็นเหตุฉะนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปสร้างข้ามทะเลหลงก็ข้ามที่นี่จะไปข้ามที่อื่นขาฉีกตายถ้าไม่หลงหนังหุมอยู่ได้รอบก็ไม่หลงอันอื่นถ้าหลงหนังหุมอยู่ได้รอบก็หลงหมดถ้าลวดตามเป็นจริงของหนังก็ไม่หลง หนังหลงหนังหุ้มอยู่ได้รอบก็หลงหมดเหมือนกันอันนั้นเป็นของภายนอกวัตถุนิยมคืออะไรคือตาหูจมูกเล่นกายใจใจเป็นหัวหน้าทางทําดีจะไปพระนิพพานก็คือใจจะไปนรกก็คือใจพอไปถึงพระนิพพานแล้วเอาใจไปหรือไม่ไม่ได้เอาใจไปด้วยพอถึงพระนิพพานก็บัญญัติว่าทําอันไม่ตายเหตุนั้นจึงบัญญัติว่ารูปจิต เจตสิกนิพพานรูปก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็เป็นอย่างหนึ่งเจตสิกตัวอย่างหนึ่งพระนิพพานก็เป็นอย่างหนึ่งจิตถ้าทำถูกก็เป็นทุนทางเข้าสูงพระนิพพานถ้าทำผิดก็ลงสู่นะลูกผู้พูดคือใครก็คือจิตใจเป็นผู้นักเคลื่อนพูดล่วงไปล่วงไปเหมือนกันวิจิตสังขารก็ล่วงไปคิตตะสังขารก็ล่วงไปสิ่งที่ล่วงไปไม่ล่วงไปไม่มีเลยพระนิพพานไม่ได้มาพูดด้วยไม่ได้มานั่งด้วยไม่ได้มาเดินเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดด้วยพระนิพพาน เป็นแต่สังขารเท่านั้นแต่สังขารขอให้เป็นปุญญาพิสังขารอเป็สังขารขคือบุญอปุญญาพิสังขารอเปสังขารคือบาปอเนินชาพิสังขารอเปสังขารคืออเนินชาคือสมาธิหรือสมาบัติความดีถ้าเราทําดีมันก็มาบวกใจถ้าเราทําชั่วก็บวกชั่วอยู่ที่ใจถ้าเราทําดีก็บวกความดีอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกกับเดินฝ้าอากาศเลยจิตใจเป็นครั้ง สำหรับต้อนรับความดีไม่สมฐานะคิตใจจะไปต้อนรับความชั่วทำดีก็ทำให้ใจทำชั่วก็ทำให้ใจให้ใจเป็นผู้ทำถ้าคนตายมันก็ทำไม่เป็นคนไม่รู้อินุยเี่คนเป็นว่าใบาเสียใจเหตุผลมนุษย์มันก็ทำดีทำชั่วไม่เป็น ม, มันไม่รู้จักทางดีทางชั่วเลยเราเป็นไม่ใช่ว่าบ้าเสียใจเหตุผลมนุษย์เราก็ทำแต่ความดีถ้าเป็นเด็ก ก็เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายสมัยจัตตาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นธรรมอันเที่้งของตนถ้าสอนไปในทางผิดเราจึงไม่ทำสอนไปในทางถูกเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องฝืนพราะที่ไปโรงเรียนเหมืกันก็ต้องเป็นนักเรียนอย่าให้เป็นนักเลงครูสอนอนไดก็ต้องให้ฟัง สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คุณครูไม่ได้เอามาสอนเลยเอามาสอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เหลือวิสัยของเด็กคุณครูก็ไม่ได้เอามาสอนเอามาสอนแต่พอดีพอเหมาะพองามสว่วนพจัตตาเป็นผู้ว่าง่ายสอน ง, ง่ายเอตมังคารมุตตะมังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสมนานันจัตถสนังการเห็นประโยชนสามเณรก็เป็นบุญอันหนึ่ง การเรียธรรมะสากระชาการฟังธรรมก็เป็นบุลอันหนึ่งเอตมังคะมุตตมังขันติจโสมจัตตาความอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทนก็เป็นมงคลอันอุดมของเทวดาและมนุษย์ทั้งหายอาเสวนาจะพาลานาะงอย่าคบพานชาติชาปเป็นมิตรควรนบคบบัณฑิตเอตมังขะมุตตะมังบัณฑิตานันจะ คบบันดิตผู้ประพฤติดีผู้ใดประพฤติชั่วอย่าไปครบแต่อย่าให้กระทบกระเทือนเขา